เมื่อเช้าตอนหลังทาวัดก็ได้พูดเรื่องบทเรียนจากเหตุการณ์6กตุลาซึ่งวันนี้ก็ครบสามสิบหกปีพอดีมันเป็นเหตเหตุการณ์ทางการเมืองก็จริงแต่ว่าให้แง่คิดทางทำได้ดีมากซึ่งถ้าเราได้ไตรตรองก็จะได้ไม่ไปหลงตกเป็นผู้กระทำนะสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่างที่ได้พูดไ้เมื่อเช้าว่าความยึดติดถือมั่นในทิฏฐิความเห็นเนี่ยถ้าว่ายึดติดถือมั่นจนลืมตัวก็อาจจะทำให้เราเผลอทำสิ่งที่เวลวร้ายได้คนที่พากันรุมทำร้ายแล้วก็ฆ่านักศึกษาที่ประท้วงที่ธรรมศาสตร์ มีการลากศพไปตามถนนหรือว่าเผาทั้งเป็นตอกอกหรือว่าแขวนศพใต้ต้นมะขามแล้วก็ทำร้ายนี่พวกนี้เขาก็คิดว่าเขาทำเพื่อปกป้องชาติสากลศัตร์เพราะเห็นว่านักศึกษานี่เป็นพวกที่เป็นอันตรายต่อชาติสากลศัตร์ ซึ่งก็มันเป็นผลจากการใส่ร้ายป้ายสีแต่สิ่งที่น่าคิดคือว่าการทำชั่วในนามของความดีนี่มันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วเหตุการณ์6ตุลาหนึ่งเหตุการณ์ตุลาก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งทำร้ายคนในนามของชาติสากั์ ทางนงที่ศาสนาพุทธก็สอนให้มีเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนแต่ว่าก็สามารถพอไปยึดมั่นถือมั่นแบบนี้แล้วก็ทำให้สามารถจะฆ่าคนได้อันนี้จะเรีย่างนุนคือว่าทำชั่วเพราะติดดีก็ได้ติดดีก็หมายความว่ายึดมั่นถือมั่นในความดี หรือในสิ่งที่ตัวถือว่าดีงามเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่ว่าเวลาใครที่คิดไม่เหมือนตัวหรือว่าทำไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดหรือว่าปรารถนาก็เห็นเขาเป็นผู้ร้ายอย่างได้ยกตัวอย่างลูกที่ถูกพ่อฆ่าเพราะว่าพ่อนี้ เห็นว่าลูกนี้ไม่ดีอย่างที่พ่ออยากจะให้เป็นก็เกลียดแล้วก็โกรธลูกพอทะเลาะ ก, กับลูกลืมตัวก็เลยเอาปืนยิงลูกตายเสีจแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวตายอันนี้ก็เรียกว่าฆ่าลูกเพราะติดดีนะลูกไม่ดีเหมือนตัวหรือลูกไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดไอาการหกตุลามก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน พ่าเห็นนักศึกษาว่าเป็นพวกที่เลว้ายนะเพียงพ่อเขาคิดไม่เหมือนตัวมันก็เลยปรากฏเกิดปรากฏการที่ลูกขาขวาพิฆาตซ้ายขึ้นมาซ้ายก็คือนักศึกษาขวาก็คือผู้ที่เรียกว่าจงรับภักดีต่อชาติสากลศัตรูคนเหล่านี้เขาก็โกรธแล้วก็เกลียดนักศึกษามากพอโกรธและเกลียดแล้วเนี่ยก็เห็นว่า ถ้าค่าคนเหล่านั้นก็ไม่เสียหายเป็นของดีสิให้ความโกรธความเกลียดนี่ก็น่ากลัวนะเวลามันมีคนเราเกิดความโกรธเกลียดขึ้นมาในใจเนี่ยมันง่ายมากที่จะเห็นคนอื่นที่คิดไม่เหมือนตัวเป็นคนละพวกกับตัวเนี่ยเป็นคนเลวพอเห็นว่าเลวมากๆนี่ก็คิดว่าฆ่าได้ไม่เป็นไร ฆ่าได้ไม่ผิดอย่างมีพระบางรูปในเวลานั้นก็บอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์นี่บาปน้อยนะเพราะว่าเป็นพวกไม่ได้เป็นมนุษย์ครบนะเป็นพวกกึ่งมนุษย์นะอันนี้มันไม่ถูกนะเพราะว่าฆ่าคนนี่มันก็ผิดทั้งนั้นแหละแต่ว่าพอมีความโกรธความเกลียดเนี่ยมันก็จะเห็นคนที่คิดต่างจากตัวเนี่ยมีความเป็นมนุษย์น้อย เห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นพวกกึกมนุษย์นะต่ำกว่ามนุษย์ก็พอคิดแบบนี้เข้าก็สามารถจะฆ่าได้ง่ายๆ่ายมาเองเนี่ยก็บังเอิญที่เรียกบังเอิญไม่ได้นะก็เรียกว่ามีส่วนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยก็ได้เรืรู้อะไรมากนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้น แปลกเนะ้ะที่ว่าเหตุการณ์นี่มันมันเลวร้ายมากแต่ทำให้เกิดศรัทธาในพระธรรมมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าไปอดอาหารเรียกร้องให้พระคณะสงน์นี่แก้ปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่ว่าในสุดก็ก็ถูกจับนะถูกจับนี่เขาก็ให้ไปนอนให้ถอดเสื้อแล้วก็มานอนที่ สนามหญ้าตอนนั้นเนี่ยมีการฆ่ากันเรียบร้อยไปแล้ว อ, ตอาตมาไม่รู้หรอกว่าข้างนอกนี่มันรุนแรงแค่ไหนมีการเผาศพทั้งเป็นยังไงบ้างไม่รู้หรอกข้างในนี่ก็คนเป็นพันถอดเสื้อนอนอยู่บนสนามฟุตบอลแล้วก็เตรียมลำเลียงขึ้นรถเพื่อเอาไปส่งไปส่งเรือนจำนะ รถเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานร อ, อนานเสร็จแล้วพอรถมาถึงก็ต้องทุกคนก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็ไปขึ้นรถแต่ว่าจะเดินขึ้นรถไม่ได้นะเพราะว่าสอ ง, สองตรงกลางเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมันมีคนเรีย้ยวประชาชนผู้รักชาติคอยเตะคอยทําร้ายคนที่วิ่งขึ้นรถ เพราะฉะนั้นคุพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบขึ้นรถให้เร็วๆเพราะถ้าเราขึ้นรถช้าเราก็โดนเตะอาตมาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะรีบขึ้นรถปพรกลัว่าระหว่างทางก็โดนเตะโดนถีบนพอไปถึงรถปรากว่ารถมันแต้นรถมันแน่นเต็ไมไปหมดแล้วขึ้นไม่ได้ก็ต้องวิ่งกลับก็โดนเตะอีกรอบหนึ่ง พอลดมาอ่าก็เลยต้องวิ่งใหมนะ่คราวนี้เนี่ยโดนไม่ลูกใครเตะตรงสีข้างนะจุกเลยนะลม้มลงแล้วก็ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยก็มองมามองเห็นหน้าซึ่งไม่รู้เป็นคนที่เตะหรือเปล่าแต่เห็นหน้าเขานี่มีความดุร้ายมากตอนนั้นเนี่ยแปลงนะั้นไม่มีความรู้สึกโกรธคนเลย ทางตํารวเขาก็ลุมทําร้ายเราแต่เห็นเลยว่าสีหน้าเขาเนี่ยมันไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยเขามีแต่ความโกรธเขามีแต่ความเกลียดพอเห็นอย่างงี้เนี่ยเลยเข้าใจเลยนะว่าที่เขาทําอย่างนี้ยที่เขาทํากับเราเนี่ยมันเป็นเพราะความโกรธความเกลียดมันครองใจไม่ได้รู้สึกเกลียดเขาเลยนะแต่กลับรู้สึก โกรธเกลียดความโกรธนะใจตอนนั้นเนี่ยมันโกรธนะแต่มันโกรธความโกรธว่าความโกรธมันทําให้เขาต้องทํากับเราแบบนี้แล้วเลยตอนนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดเลยว่าเนี่ยเป็นพ่อความโกรธความเกลียดนี่แหละที่มันทําให้คนไทยต้องฆ่ากันทําให้คนไทยต้องทําร้ายกันแล้วก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่า ต้องเป็นศัตรูกับความโกรธความเกลียดมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรานะความโกรธความเกลียดต่างหากที่มันเป็นศัตรูของเราที่เราต้องกําจัดเพราะถ้าเราไม่กําจัดความโกรธความเกลียดมันก็จะทำให้เราเนี่ยทาร้ายกันตอนนั้นเห็นเลยว่าความโกรธความเกลียดเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทําให้คนคนหนึ่งทําร้ายคนอีกคนหนึ่งทั้งที่ไม่รู้จักกันนะ แต่มันทําให้เห็นแล้วว่าความโกรธความเกลีย์เนี่ยมันทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีความเป็นมนุษย์น้อยลงความโกรธความเกลีย์มันทําให้เขามีความเป็นมนุษย์น้อยลงแล้วก็มีความเป็นอามนุษย์มากขึ้นก็เลยกลัวเลยนะกลัวความโกรธเพราะว่าถ้ามันความโกรธมันคลองใจเราเนี่ยเราก็จะกลายเป็นมนุษย์น้อยลงไปเรื่อยๆ มันแปลงนะเวลาคนเรามีความโกรธความเกลียดเนี่ยเราก็จะมองเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นมนุษย์น้อยลงแต่ในเวลาเดียวกันความโกรธความเกลียดมันก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์น้อยลงด้วยเพราะว่าเราขาดเมตตากรุณาเหตุการณ์หกตุลานี่มันทำให้เห็นชัดเลยตอนหน้าต่อมาก็ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะแต่ว่าไม่มีความโกรธความเกลียดคนที่ทำลายเลยมันสงสารมากกว่าว่าเขา ไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วนะเพอเขาถูกความกรธความเกรยียดข่มงําป่วดก็ปวดนะเจ็บก็เจ็บแต่ว่าไม่ได้โกรธเขาอันนี้ก็เลยมีส่วนทำให้เราเห็นว่าไอ้การจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องใช้สันติวิธีให้มั่นคงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สันติวิธีแล้วเนี่ย นอกจากเราจะไปทาําร้ายคนอื่นแล้วเนี่ยไอ้ความเกิดความเกลียดที่คลองใจลรามก็จะทําร้ายตัวเราเองด้วยาชาวพุนเนี่ยต้องสําคัญมากนะคือการยึดมั่นในในสันติวิธีแม้ว่าจะถูกทําร้ายก็ตามพระเจ้าตรัสว่าแม้เธอถูกประหารด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนหินและด้วยศาสตรา นะเธอพึงจำพึงสำเนียกว่าเราจะไม่มีจิตแปลผันจะไม่กล่าววาจาชั่วยหยามจักมีแต่เมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อผู้ที่กระทำเราแล้วก็อีกที่หนึ่งท่านพูดไว้หนักแน่นกว่านั้นนะบอกว่าแม้โจรจะเอาเลื่อยมาตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเราถ้าหากว่าเธอมีจิตแปลผัน กล่าววาจาชั่วหยาบหรือมีความคิดมุ่งร้ายต่อคนเหล่านั้นก็ถ้กว่าเธอไม่ได้ปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของเราแต่ถ้าเกิดว่าเธอสำเนีจอ่ะเธอพึ่งเมื่อเธอเหตุหการณ์แบบนี้พึ่งสำเนียกว่าจิตเราจะไม่แปรผันจะไม่กล่าววาจาชั่วหยาบจะไม่จะมีแต่ความเมตตาเอ็นดูมุ่งประโยชน์ต่อเขายังไม่มีประมาณ อันนี้เป็นคำสอนคูเจ้าที่สอนพระนะที่จริงก็สอนโยมเนียแหละ ว, ว่าแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายเราเราก็ต้องรักษาใจให้ปกติ <Yeah. S 1> นะให้ชาพวพูกเราต้องจับหลักตรงนี้ให้มั่นคงนะเพราะเดี๋ยวนี้นี่เวลาเวลาเราเห็นใครหรือเราได้ข่าวว่าใครนี่ชั่วร้ายเนี่ยเราก็คิดอยากจะทำร้ายเขาหรือสาบสุนให้มีการฆ่าเขาอย่างตอนเกิดเหตุการณ์ พฤษภาปีห้าสามนี่ก็คนไทยจำนวนไม่น้อยนะที่อ้างตัวเป็นชาวพุทธเขาก็สาปแช่งให้รัฐบาลใช้อาวุธใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมข้อหาคือพวกพวกนี้มันเป็นพวกเลว้ายเป็นพวกที่ไม่ดีนะคนเราพอมีความคิดแบบนี้ในใจเนี่ยความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นมันก็อยากจะทำร้ายเขาถ้าทาร้ายตัวเองไม่ได้ก็อยากจะให้คนอื่นทำร้ายแทน นะเช่นให้รัฐบาลปราบปรามอันนั้นมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะเดีย๋ยวนี้เราเป็นอย่างนี้กันเยอะนะตอนที่รัฐบาลปราบปรามพวกพ่อค้าค้ายามีนโยบายค่าตัดตอนนี่คนไทยก็สนับสนุนเชียร์กันว่าให้ค่าตัดตอนนะไม่ต้องขึ้นศาลน ะ, ะให้กําจัดเรียกวิาวสามัญฆาต ก, กรรมเลยก็ได้ คนตายไปสองคนตายไปสองพันคนในช่วงเวลาไม่กี่เดือนอันนี้มันก็ผิดทั้งหลักกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งหลักธรรมด้วยนะเพราะว่าผิดยังไงก็ต้องขึ้นศาลแต่ถ้าเกิดว่าในแง่หลักธรรมด้วยแล้วนี่ถ้าเราถ้าเรามีเจตนาอยากจะให้เขาตายนี่อันนั้นก็เป็นบาปกรรมเหมือนกันนะเป็นมโนกรรมถึงแม้ว่าเขาจะ เขาผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถึงแม้ว่าเขาเป็นคนผิดนะมันไอการที่เรามีเจตนาอยากจะให้เขาตายนี่มันก็ไม่สมควรอยู่แล้วมันไม่ใช่วิสัยชาวพุทธถ้าเป็นคนไม่มีาศาสนาก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วนี่มันก็ต้องมีแต่ความเมตตาส่วนจะให้เขาขึ้นศาลถูกตัดสินยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าถ้าเรามีจิตปทุสศลายนี่จิตใจเราก็มัวหมองเป็นบาปเป็นอกุศล นะักภาษาเลยกับคนที่เขาไม่ได้ทําชั่วทําบาปหรือไม่ได้ค่ายาเพียงแต่ว่าเขาคิดไม่เหมือนเราอาจจะชุมนุมประท้วงรัฐบาลนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีความไม่มีขันติธรรมแล้วก็ไม่มีสตะนะินั้นเราก็จะเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงกับเขานะซึ่งมันก็เป็นบาปกรรมมันนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิสัยชาบพูดอยู่แล้วนะที่จะทําอย่างนั้น เพราะฉะนี้นันีนี่ก็เป็นบทเรียนนะทางทางธรรมะที่เราต้องต้องไต่ตรองอย่าใช้แต่อารมณ์ใช้ความรู้สึกต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ยึดมั่นในธรรมะให้ได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากนะแต่ว่า น, นี่แหละก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งเราก็เตรียมรับพร